แล้วเกิดมาทําไมรอเวลาตายทุกคนนีค่ายอดค่ น, นไดเนี่ยได้เมื่อเพร่อรอเวลาเสียมีเพื่อรอเวลาหมดจเจอกันเพื่อรอเวลาจากเจอกันเพื่อรอเวลาจากสามีเอย๋ยภรรยาต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปแต่รอเวลาเดียวคือแท้ๆจากของเป็นทินลัดของป็นชอบยาในการทั้งหมดทั้งสิทธิ์ไม่มีโอกาสดีเชียดรอด้วยแผ้ไม่ตา โดดในกรุณาทังสามที่การละกันอย่าเพี้ยแค้นที่การละกันน้ำหนึ่งใจเดียวพันดาตลอดไปอย่าไปนน้ำเปรล่งบนใบบัวน้ําปรล่งบนใบบัวไม่ดีเลยมันไม่เกาะมันเปล้งไปเปล่งมาแล้วก็เสื่อกระสนทนทุนลายเหมือนพวงมาลายัยไม่มีที่แขวนเชืเกาะให้ทีก้าวตรงมีที่เกาะเกาะตงมีที่เก็ด้านกล่าเนี่ย